วิธีชำระจิตใจฟังเทศวันนี้เข้าใจไม่ใช่หรือพูดตื่นตื่นให้ฟังชัดเจนไม่ได้ยกคาถาบาลีแปลว่างั้นแปลว่างี้พอพูดอย่างนี้เราก็เคยได้พูดกับผู้กำกับเสมอเวลาเราไปเทศนี่เราจะไม่เทศตามสับตามแสงตามธ า, าตุวิพัติปัจจัยที่เราเรียนมา นี้ท่านเหล่านั้นเรียนเสียงนี้จนพูดที่มันเต็มยศเลยจนเป็นนอนแทกกระดาษเข้าใจไหมมันติดปริยัติเสมากทีนี้เราเรียนมาก็เรียนมาเหมือนกันแต่เวลามาปฏิบัติมันปล่อยนั้นปล่อยนั้นเข้าสู่ความจริงจริงล้ว น, วนเวลาแปลนี่ปับ๊บใส่ความจริงทางการแปลท่านในทางปริยัติท่านบอกว่า ปลาได้สองประเภท 1. นปลาโดยพยัญชนะ 2. ปลาโดยอัฏฐะปลาโดยพยัญชนะนี้ปลาให้ถูกศัพท์ถูกแสงทุกสิ่งทุกอย่างปลาโดยอัฏฐะนี้ตรงเป๋งไปเลยเอาเนื้ อ, เ น, อเนื้อเลยเวลาเราไปเทศยังถูกตําหนิจากพระผู้ใหญ่ที่ท่านเรียนปริยัติแปดเก้าประโยคก็มี พอเทศออกมาแล้วว่ามหาบัวปลาผิดศัพท์แทนที่เราจะมาวิตกวิจารณ์ว่าเราปลาผิดศัพท์ไม่ได้วิตกมีแต่ว่าโอ้ท่านติดปริยัติติดขนาดนี้เฉยเหรอสลดสังเวชนะติดขนาดนี้ท่านจะเอาธาตุวิพัตติปัจจัยตัวหนังสือนังหรือมาเป็นมรคนิพพานเป็นกิเลสมันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรคนิพพาน อิเลอยู่ที่ใจธรรมะอยู่ที่ใจแก่กันที่ใจรู้กันที่ใจพูดออกมาจากใจมันจะผิดไปไหนว่างั้นพูดง่ายๆนะเราเลยสลุดสังเวทอย่างนี้ละ่ะท่านจะรับว่าเราผิดไปเราก็ไม่ผิดก็มันเป็นมหาด้วยกันมันรู้หมดแล้วนี่แต่ไม่ได้แปลตามมหาละสิแปลก็แปลโดยอัดไปเสียตรงแนวเลย ทางปริยัตยิท่านก็บอกไว้แปลสองประเภทแปลาตามพยัญชนะแปลโดยอัตถะแต่เรามักมีตาโดยอัตถะพุ่งๆเลยยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยแล้วพึงเลยเชียนะก็อยู่กับท่านนี่ท่านจะไปหาลูปหาคลำอะไรไม่ใช่นอนแทกกระดาษกิเลสมันไม่อยู่กระดาษมันอยู่ที่ใจธรรมก็ไม่ได้อยู่กระดาษมันอยู่ที่ใจ ฟาดออกจากนี้พึงเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะว่าแปลผิดศัพท์บ้างอะไรบ้างเรามันทำให้คิดเห็นผู้ที่เรียนโอ้ติดขนาดนี้นะติดปริยัติเลยถือว่าปริยัติเป็นหนังแสหนังสือธาตุวิพัติปัจจัยเป็นมรรคเป็นผลไปหมดเลยนั่นเป็นสิ่งเหล่านั้นต่างหากมันไม่เป็นกิเลสไม่เป็นธรรม นี่ละภาคปฏิบัติมันแยกทันทีนะฟังเทศวันนี้ก็เข้าใจนะพอเข้าใจหรือวันนี้เทศเอาไปพิจารณานะให้ไปภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธเอาสติติดกับคำว่าพุทโธพุทโธให้มันสงบไปดูสิมันมีแต่ลิงแต่ข้างเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งพระทั้งคารวะ ไม่มีความสงบในใจถ้าทำเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะสงบพอสงบแล้วเย็นพอเย็นปับ๊บมันจะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายของตัวเองจากกิเลสที่มันก่อกวนนั่นหมายเหตุผู้อ่านการแปลาตามพยัญชนะนั้น คือการแปลาตามตัวอักษรตามรากศัพท์แต่การแปลาตามอัฏถานั้นคือการแปลาตามความหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นอโรคิยะปัรามาลาภาถ้าแปลาตามศัพท์ก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าแปลาตามอัฏฐาที่แท้จริงหรือจุดหมายที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนานั้นความไม่มีโรคในที่นี้ ต้องหมายถึงการบรรลุนิพพานคือไม่ใช่แค่ไม่มีโรคในชาติปัจจุบันแต่หมายถึงไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่ต้องมีการเจ็บป่วยซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับ